เราอย่าเพิ่งเอาสมาธิตอนนี้เราเอาสติไว้ก่อนคือความระลึกได้ความรู้ตัวความระลึกได้และความรู้ตัวนี่จะนาไปสู่ความสงบเองเป็นความสงบที่เกิดจากสติเป็นความสงบที่เกิดจากละวางความคิดฟุง้งซ่านแค่ไหนก็ไปไม่ไกลเพราะถูกสติเรียกกลับมาเป็นความสงบเพราะจิตมีที่พักอยู่กับปัจจุบัน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 สติก็ต้องกานคู่ซ้อมคู่ซ้อมคืออะไรก็คือความคิดฟุ้งซ่านพอมันฟุ้งไปรู้ตัวก็กลับมากลับมาทำแบบนี้บ่อยๆสติจะไวคุณสมบัติของสติที่ดีคือเคลื่อนไหวเร็วเหมือนลูกสอนเล่นไปได้เร็วต่างจากสมาธิซึ่งมีลักษณะตั้งมั่นนิ่งสงบมีกำลัง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 แต่ละขณะ น, นี้ถ้าเรามองให้เป็นก็เสร็จอยู่ทุกขณะเตือนแต่ละก้าวก็ถึงทุกก้าวการทํางานถ้าเรามีสติก็เสร็จถึงทุกขณะแต่เมื่อไร่เราเผลอไผลถาลายไปคิดถึงอนาคตว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีก็เตรียมใจทุกได้เลยถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันเราจะมีความสุขกับกิจนั้นๆ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 บ้านหลังใหม่แฟนคนใหม่จากตำแหน่งใหม่ซึ่งร้วนเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสุขในอนาคตก็ยังมาไม่ถึงส่วนสุขในปัจจุบันก็ไม่สนใจก็เลยเสียทั้งสองอย่างมันจะเหมือนกับนิทานอิสรบที่ว่าหมาคาบเนื้อกำลังข้ามสะพานพอมันมองไปที่ลำพ้วยเห็นเงาของมันในน้ำในเงานั้นมีเนื้อชิ้นใหญ่คาบอยู่ในปาก มันอยากได้เนื้อชิ้นนั้นก็เลยอ้าปากเพื่อที่จะไปงับเนื้อในเงาน้านั้นพออ้าปากชิ้นเนื้อที่คาบอยู่ก็หลุดตกน้าเนื้อในน้ำก็เลยหายไปเพราะเป็นแค่เงามันก็เลยอดทั้งสองอย่างนี่เป็นเพราะมันไม่พอใจในสิ่งที่มันมีอยู่ไปอยากได้เนื้อที่เป็นแค่เงาถ้ามันพอใจเนื้อที่มันคาบอยู่ก็สบายไปแล้วคนเราต้องระวัง